บทที่สิบเรื่องของกรรมใครทำใครได้บ่ายจัดของวันที่8นับแต่วันบวชขณะที่พระบัวเหียวกำลังเดินไปยังกุฏิท่านพระครูเพื่อให้ท่านสอบอารมณ์รถตู้สีครีมใหม่เอี่ยมคันหนึ่งวิ่งแล่นเข้าที่ประตูวัดมา มีรถเก๋งสีฟ้าแล่นตามมาติดๆเมื่อรถสองคันแล่นเข้ามาจอดคู่กันที่ลานวัดบุรุษสองคนกับสตรีสามคนก็ลงมาจากรถพระใหม่ไม่ทันสังเกตว่าคนไหนลงมาจากทันไหนแต่ก็จําได้แม่นยําคือบุรุษที่เดินนําหน้าคนทั้งสี่มานั้นคือครูที่มาจากนครสวรรค์ผู้ซึ่งออกจากกรรมฐานกลับไปเมื่อสามสี่วันก่อน คนทั้งห้าเดินตรงไปยังกุฏิท่านพระครูและถึงก่อนหน้าท่านเล็กน้อยเมื่อท่านไปถึงก็ทำความเคารพพระอุปชาแล้วครูใหญ่ก็แนะนำให้คนทั้งสี่ว่านี่หลวงพี่บวเฮียวอาจารย์สอนกรรมฐานให้พ่อและทั้งหมดจึงก้มลงกราบท่านสามครั้งพระใหม่รู้สึกร้อนๆห น, นาวๆที่คนเป็นครูใหญ่ยกย่องให้เกียรติท่านถึงปานนั้น อีกทั้งหญิงสาวสองคนที่มาด้วยก็สวยหาตเยิอมจนท่านรู้สึกขัดเขินเจริญพรครูใหญ่ครูบุญมีกับครูอรุณไม่ได้มาด้วยหรอกหรือท่านพระครูทักทายตะวันจำชื่อคนแม่นไม่มีใครกินเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงเพราะว่าโรงเรียนเปิดเทอมแล้วตัวผมก็ลางานมาจะพาครอบครัวมากราบหลวงพ่อ และจึงแนะนำสมาชิกทีละคนคุณผ่องพักแม่บ้านของผมสามคนนั่นเป็นลูกชื่อผ่องพันวันวิไลชัยชนะอายุห่างกันคนละปีเรียนจบได้งานทำกันแล้วครับท่านพระครูกำหนดเห็นหนอพิจารณาคนทั้งสี่ทีละคนและพูดขึ้นว่านี่คนนี้ฉลาด จะได้เป็นด็อกเตอร์ท่านชี้ไปที่คุณวันวิไลหญิงสาวยิ้มอายๆยกมือขึ้นสาธุพร้อมกล่าวว่าขอให้สมพรปากเธอเจ้าค้าพระบวทใหม่แอบชื่นชมในใจว่าเจ้าประคุณเอ้ยรูปก็สวยเสียงก็ใสแถมยังความรู้สูงอีกด้วยข้างฝ่ายพี่สาวก็สวยไม่แพ้กัน นี่ถ้าให้เราเลือกคงจะเลือกไม่ถูกเซลามังหนอมันเข้าทำนองรักพี่เสียดายน้องครั้นจะรักน้องก็เสียดายพี่จะเอาอยัางไงดีวินี่ท่านพระครูแอบสำรวจความคิดของพระใหม่กำลังฟงนะุ้งซ่านหนักจึงพูดขึ้นว่าเห็นไหมบัวเยียวที่ฉันบอกว่า ครูใหญ่ต้องกลับมาที่วัดนี้อีกภายในเจ็วันกลับมาจริงๆแต่หลวงพ่อบอกว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยนี่ครับพระใหม่ทักท้วงคนเป็นครูใหญ่จึงพูดขึ้นว่าเป็นความจริงครับผมกำลังจะกราบเรียนหลวงพ่ออยู่พอดีพระอุปชามองหน้าลูกศิษย์เหมือนจะบอกว่าเห็นไหมบัวเหีย้ยที่ฉันพูดไวนะ้หน่ะผิดเสี้ยที่ไหน ผมต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่ได้เมตตาผมให้มีโชคครูใหญ่พูดพร้อมยกมือไหว้อย่างนอบน้อมไม่เกี่ยวกับอาตมาหลอกโยมบางครั้งท่านก็เรียกครูใหญ่ว่าโยมมันเป็นโชคของโยมเองอาตมาเพียงแต่รู้เท่านั้นซึ่งความจริงแล้วไม่ว่าอาตมาจะรู้หรือไม่รู้โยมก็ต้องถูกอยู่ดี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 เรื่องก็มีอยู่ว่าตาขี้มเมาคนหนึ่งมาอ้อนวอนขายลอตเตอรี่ให้เขาเพื่อจะเอาเงินไปซื้อเหล้ากินเขาบอกไม่ซื้อไม่ซื้อแต่นั่นก็เศร้าซีจนเขารำคาญก็เลยควักเงินให้ไปสิบบาทแล้วก็เอาลอตเตอรี่มาตกเย็นลอตเตอรี่ออกปรากฏว่าเขาถูกรางวัลที่หนึ่งเห็นไหมคนมีโชคอยู่ดีๆก็มีคนเอาเงินมาให้ตังห้าแสน เขาก็สำนึกถึงบุญคุณตาขี้เมาตั้งใจจะเอาเงินไปแบ่งให้ใช้บ้างพอไปตามหาถึงได้รู้ว่าหมอนั่นช็อกตายไปแล้วแกไปเที่ยวเร่ขายจนจำเลขได้พอรู้ว่าถูกรางวัลที่หนึ่งเกิดความเสียดายเล็ช็อกท่านพระครูเล่าจบลูกสาวคนโตของครูใหญ่จึงถามขึ้นว่าแล้วคนแบบนี้คนที่ซื้อไปจะบาปไม่ค่าหลวงพ่อ ไม่บาปหลอกหนูเพราะก็ไม่ได้เจตนาแล้วจิตของเขาก็ไม่มีโลภะแต่ซื้อเพื่อตัดความรำคาญผมว่าตาขี้เหมาคนนั้นไม่มีโชคมากกว่าใช่ไหมครับหลวงพ่อครูใหญ่ถามก็คงเป็นอย่างนั้นแหละเงินมาอยู่ในมือแล้วยังเอามายัดเยียดให้คนอื่นพูดภาษาชาวบ้านก็ว่าดวงจะไม่ได้ใช้เงิน อย่างคนที่ผมรู้จักคนหนึ่งครับหลวงพ่อรายนี้ถูกรางวัลที่หนึ่งเหมือนกันแกเอาเงินไปซื้อรถเก๋งแล้วก็ไปแต่งกรองนางงามมาเป็นเมียน้อยทั้งที่เมียแกยังอยู่ด้วยกันหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตอยู่กับอบยมุขทั้งสุรานารีพาชีกีลาบดผลสุดท้ายก็เลยวิบัติคือถูกหวยได้ไม่ถึงเดือนก็ขับรถไปชนกับสิบล้อตายคาที่เลยครับ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 จึงหันไปสบตากับหลวงพี่บัวเฮียวหวังให้ท่านช่วยคุณโยมคงได้เห็นหนานะครับหลวงพ่อพระหม่เอื่อนเอ่ยหมายจะช่วยช่วยคุณโยมทว่ากลับทำให้เธองุนงงหนักขึ้นท่านพรัครูเห็นว่าเรื่องจะไปกันใหญ่จึงวกกลับมาเข้าเรื่องเดิมตกลงครูใหญ่จะใช้ชีวิตแบบลูกผู้ชายที่เล่ามาหรือเปล่าล่ะ น่าสนุกดีเหมือนกันนะไม่หรอกครับหลวงพ่อผมมันเข้าวัดเข้าวาเสียแล้วนี่ผมก็แบ่งสันปันส่วนกันเรียบร้อยบ้านเรามีห้าคนผมก็เอาห้าหารได้กันคนละแสนทีนี้ผมก็บอกภรรยาและลูกๆว่าหลวงพ่อรับนิมนต์ไปเทศตามที่ต่างๆอยู่เสมอถ้ามีรถไว้สักคันหนึ่งก็คงจะสะดวกขึ้นผมเลยบอก จะซื้อรถตู้ถวายหลวงพ่อพวกเขาก็ช่วยกันลงขันมาซื้อรถแล้วยังมีเหลือสำรองเป็นค่าน้ำมันอีกสองมืนพูดจบก็ถวายเงินสดและทะเบียนรถพร้อมลูกกุญแจแด่ท่านเจ้าอาวาสท่านพระครูรับประเคนแล้วให้ศีลให้พรตามธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติคนทั้งหมดรวมทั้งพระบวยเหียวต่างพากันอนุโมทนาสาธุการ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 แต่แบบนั้นไม่ค่อยดีนะเจ้าคะเพราะนอกจากจะไม่ปลอดภัยสำหรับตัวเองแล้วก็ยังอาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่นอีกด้วยวันวิไลเอ่ยขึ้นจริงค่ะหนูก็เห็นด้วยกับน้องวันอย่างเพื่อนหนูนะคะกำลังยืนพูดโทรศัพท์อยู่ที่ตู้โทรศัพท์สาธารณะซึ่งตั้งอยู่ริมถนนคนที่เขากำลังคุยด้วยก็คือหนูเองจู่ๆรถเก๋งคันหนึ่งก็พุ่งเข้ามาชนโครม เพื่อนหนูคอขาดกระเด็นออกจากนอกตู้โทรศัพท์ซึ่งพังยับเยินกระจกแตกคนชนถูกอัดก๊อปปี้ตายคาพวงมาลายัยหนูก็แปลกใจว่าเอกำลังคุยกันดีๆก็มีเสียงดังโครมแล้วก็เงียบหายไปก็เลยขับรถออกมาตามหาดีที่เขาบอกชื่อถนนไว้ตอนคุยกันพอหนูเห็นเพื่อนหนูแทบช็อกเลยค่ะ ตำรวจสอบสวนได้ความว่าผู้หญิงคนชนนั้นหัดขับรถแถมวันนั้นแกทะเลาะ ก, กับสามีก็เลยขโมยรถขับไปกินเหล้าพอเมาก็ประมาทขับ เ, เร็วเลยทำให้เพื่อนหนูปลอ่อยเคราะร้ายไปด้วยท่าทางคนเล่ายังไม่หายหวาดเสียวแต่พระใหม่กับเพลิดเพลินกับเสียงใสๆของคุณโยมจนเผลอสติจ้องหน้าหลอนไม่วางตาครั้นเมื่อหญิงสาวเล่าจบ จึงถามเฉยๆออกมาว่าแล้วย่างนี้จะเอาผิดกับใครล้วครับหลวงพ่อเพราะคนทําผิดก็ตายไปแล้วอ้าวก็เอาผิดกับพระบวเหี้ยวน่ะสิท่านพระครูตอบหน้าตาเฉยถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อก็ยุ่งแล้วล่ะครับเพราะถ้าพระลูกวัดถูกจับสมภารก็ต้องถูกสอบสวนด้วยคราวนี้คนเฉยทําเป็นไม่รู้ งั้นครูใหญ่ช่วยไปประกันตัวให้ด้วยก็แล้วกันไหนว่าลูกศิษย์เป็นอาจารย์กันไม่ใช่หรือท่านพักครูโยนกลองไปที่ครูใหญ่ครับไม่เป็นไรผมประกันตัวให้หลวงพี่เองครูสลิดพลอยเ อ, อ, อ่ออหอหมกด้วยแม้คุณก็หลวงพ่อท่านพูดเล่นๆคุณก็เอาเป็นจริงเป็นจังไปได้คุณผ่องพักปรามสามี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 พิธาธรรมเวทนิยกรรมก็คือกรรมที่ให้ผลในชาติปัจจุบันทันตาเห็นการดื่มสุราถือว่าละเมิดศีลข้อร้ายแรงที่สุดในบรรดาศีลห้าเพราะทําให้ขาดสติเมื่อขาดสติซะแล้วก็ละเมิดศีลข้ออื่นๆได้หมดอันนี้แสดงให้เห็นว่าทำชั่วได้ชั่วทันตาเห็น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 ทำไมถึงต้องเป็นเพื่อนของหนูทำไมไม่เป็นคนอื่นเพราะคนใช้โทรศัพท์เครื่องนี้วันวันหนึ่งมีมากมายแต่ทำไมเขาไม่ถูกชนที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะไม่ได้เป็นเจ้ากรรมในเวรกันมาจริงไหมล่ะจ๊ะท่านหันไปถามวันวิไลจริงเจ้าค่ะเหมือนอย่างคุณพ่อกับคุณแม่ก็คงเป็นเจ้ากรรมในเวรกันมาใช่ไหมเจ้าคะหลวงพ่อ หญิงสาวถามหมายจะยั่วบิดาและมารดาแน่นอนจ้ะไม่เฉพาะคุณพ่อคุณแม่หนูหรอกถึงหนูเองก็เถอหลวงพ่อเห็นหมดแล้วว่าหนูต้องใช้เวรใช้กรรมกับคู่ของหนูมากกว่านี้อีกลายเท่าถึงดวงการศึกษาหนูจะดี แต่ดวงคู่ครองค่อนข้างแย่หนูต้องอดทนม า, มากๆถึงจะอยู่กันได้คู่ของหนูเขาเป็นคนเจ้าทิฐิใจร้อนพูดก็ไม่เพราะคือไม่เพราะแต่กับหนูนะแต่กับคนอื่นๆนะ่ะโดยเฉพาะสาวๆเขาพูดเพราะมากโชละหนูก็เลยเป็นโรคหึงแล้วโรคนี้มันก็ซ้ำแล้วโรคนี้มันก็ทรมานจิตใจหนูมากทีเดียว เมื่อรู้อย่างนี้แล้วหนูก็ไม่แต่งงานกับเขาสิคะหลวงพอ่อไม่แต่งได้แหละดีดีมากๆเียวละแต่ถึงเวลานั้นจริงๆหนูจะไม่คิดอย่างนี้ไม่พูดอย่างนี้หนูจะมาหาหลวงพ่อและพูดว่าหลวงพ่อเจ้าคะหนูไม่ได้รักเขาหรอกเจ้าคะ่ะแต่หนูสงสารเขาถึงได้ยอมแต่งงานด้วยจริงๆนะเจ้าคะ ท่านพูดเรียนแบบเสียงวันวิไลทำให้คนอื่นๆพากันหัวเราะรวมทั้งหญิงสาวที่ชื่อวันวิไลด้วยแล้วเขาเจ้าชู้ไม่คะหลวงพ่อหล่อนถามอีกเจ้าว่าเจ้าชู้กับคงไม่ใช่ผู้ชายที่พูดหวานๆน่ะผู้หญิงชอบใช่ไหมนี่แหละสาวแก่แม่หม่ตอมกันหึงโชระแม่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 พระบัวเหวีว่ยวแอบคิดในใจว่าเอเนื้อคู่ของคุณโยมจะใช่เราหรือเปล่านอก็พอดีกับหญิงสาวถามขึ้นมาว่าและตอนนี้เจอกันหรือยังเจ้าคะพระหมายตั้งใจฟังเต็มที่หากก็ต้องผิดหวังเมื่อท่านพระครูตอบว่าเดินผ่านกันไปผ่านกันมาหลายครั้งแล้วในมหาวิทยาลัยแต่ก็ยังไม่เคยพูดกัน เขาไม่ได้สนใจหนูหรอกเพราะเขามีคู่รักอยู่แล้วต้องชดใช้กรรมกับคนนั้นก่อนแล้วจะมาเจอกับหนูและตอนนี้เขาแต่งงานกันหรือยังเจ้าคะยังอีกสองปีถึงจะแต่งแต่งแล้วก็หย่ากันในปีนั้นผู้หญิงเข้าใจเด็ดทิ้งลูกทิ้งผัวไปอยู่กับชายอื่นคู่ของหนูก็เลยต้องเป็นพ่อไม่ลูกติดก็ดีสิเจ้าคะ หนูจะได้ไม่ต้องมีลูกของตัวเองลูกเขาก็เหมือนลูกเราจริงไหมคะพี่พองหล่อนหันไปถามพี่สาวพอถึงเวลานั้นจริงๆมันไม่เป็นอย่างที่หนูคิดที่หวังหรอกนะจ๊ะจำคำพูดหลวงพ่อไว้นะจ๊ะคุณด็อกเตอร์ว่าหนูจะต้องน้ำตาเช็ดหัวเข่าพระสามีหัวเข่าใครเจ้าคะหลวงพ่อของหนูหรือของเขา หญิงสาวกลับมีอารมณ์ขันเพราะไม่เคยจริงจังกับชีวิตแต่เล็กจนโตหล่อนได้รับความรักความอบอุ่นมาโดยตลอดทั้งคนในครอบครัวทั้งเพื่อนฝูงต่างรักใกล้หล่อนทุกคนชีวิตของวันวิไลจึงยังไม่รู้จักคําว่าทุกข์ทั้งไม่เคยคิดว่าจะต้องพบพานหล่อนไม่รู้ว่าความร่าเริงน่ารักและมองโลกในแง่ดี อันเป็นคุณสมบัติประจําตัวหล่อนนั้นอีกแปดปีมันจะไม่มีหลงเหลืออยู่เลยนอกจากจะไม่มีเหลือแล้วมันยังเปลี่ยนเป็นคุณสมบัติที่ตรงกันข้ามตรงข้ามโดยสิ้นเชิงอีกแปดปีหล่อนจะต้องมานั่งร้องไห้คลั่งครวนต่อหน้าพระพิสุรูปนี้หล่อนไม่รู้แต่ท่านพระครูท่านรู้ก็แล้วแต่จังหวะจ้า หัวเข่าหนูน่ะแน่ๆอยู่แล้วแต่ถ้าวันไหนโชคร้ายก็จะเป็นหัวเข่าเขาทำหัวเราะไปเธอและหลวงพ่อจะคอยดูถึงขนาดนั้นเชละข้าหลวงพ่อคุณผ่องพักรู้สึกเป็นห่วงลูกสาวคนเล็กก็เขาทำกรรมมาอย่างนั้นนี่โยมท่านพระครูตอบคนมีการศึกษาเขาจะทำกันขนาดนั้นเชละข้าหลวงพ่อเธอคัดค้านการศึกษาไม่เกี่ยวหรอกโยม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 พอดีกับผ่องพันถามขึ้นว่าหลวงพ่อคะและหนูพบเนื้อคู่หรือยังคะพระใหม่ใจเต้นระริกโดยหวังจะได้ยินคําตอบว่าพบแล้วจ้ะตอนนี้บวชเป็นพระอยู่ใจแทบหยุดเต้นเมื่อท่านพระครูตอบว่าจะมีเนื้อคู่สกิลคนกันละจ้าก็เพิ่งแต่งงานเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เอง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 ไม่ต้องไปใช้เวนีนใช้กรรมกับใครอย่างพระบัวเยวเนี่ยดวงจะต้องบวชเป็นพระตลอดชีวิตแล้วก็จะมีความสุขกว่าคนครองชีวิตคู่ผมขออนุโมทนาด้วยครับครูใหญ่ยกมือขึ้นสาธุและพูดต่ออีกว่าบุญของท่านเหลือเกินที่ไม่ต้องมารับผิดชอบชีวิตใครๆผมเข็ดแล้วกว่าลูกจะโตจะเรียนจบ ผมลำบากแทบเลือดตากระเด็นถ้ากลับไปเป็นโสดได้อีกครั้งผมขอบวชไปตลอดชีวิตภิกษุฟังสิทธิอาวุโสของท่านพูดแล้วก็มีกำลังใจขึ้นพระอุปชารู้จึงเสริมอีกว่าถ้าชีวิตการครองเรือนให้ความสุขได้จริงเจ้าชายสิทธัตถาก็คงไม่สละราชสมบัติออกผนวดรอกอยากรู้ไม่ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้น เดี๋ยวอาตมาจะหาหลักฐานมายืนยันท่านลุกเดินไปที่ตู้พระไตรปิฎกหยิบเล่มที่ต้องการออกมาแล้วจึงกลับมานั่งที่เดิมนี่พระพุทธองค์ทร ง, งแสดงโทษของกามไวในเล่มนี้พุทธพราอง์ก็ส่งคำพีเล่มนั้นให้ครูใหญ่และบอกให้เปิดไปที่หน้า360ไหในลองอ่านขัดค้าวิสนะสุตตะนิเทศตั้งแต่ข้อที่7 6็ ถึงเจ็ดอหให้พักพวกฟังซิครูสลิดจึงต้องอ่านด้วยเสียงที่ทุกคนได้ยินทั่วกันว่าข้อเจ็้อกสิสรรมนี้เป็นเครื่องข้องมีความสุขน้อยมีทุกข์มากบุคคลผู้มีปัญญารู้ว่ากรรมนี้เป็นดังสีดังนี้แล้วพึงเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนนอแรบฉะนั้นข้อเจ5ด้อห้าดูก่อนพิกษุทั้งหลาย สุคสมานัตใดอาศัยการมมคุณห้าประการนี้เกิดขึ้นสุคสมนัตนั้นแลเรากล่าวว่ากรรมสุขการสุขนี้มีน้อยการสุขนี้เลวการสุขนี้มีลามกการสุขนี้ให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ากรรมนี้เป็นเครื่องข้องมีความสุขน้อยข้อเจ็ร้อย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 เหมือนผ ล, ลไม้เหมือนดาบและสุนัขไล่เนื้อเหมือนหอกและเหลาเหมือนศีรษะงูเหา่ามีทุกข์มากมีความยินดีน้อยมีความขับแค้นมากมีโทษมากเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ากามนี้มีความยินดีน้อยมีทุกข์มาก ครูใหญ่อ่านจบท่านพระครูจึงถามขึ้นว่าเป็นยังไงทราบซึ้งหรือยังเห็นใช่ไหมว่าเป็นพระนั้นได้เปรียบกว่าเป็นคารวาสเป็นไหนไหนแม้หนูชักอิจฉาหลวงพ่อกับหลวงพี่และสิเจ้าคะถ้าหนูเป็นผู้ชายคงต้องบวชแน่ๆเลยวันวิไลพูดขึ้นหล่อนเป็นคนอ่อนไว้ง่ายจึงทราบซึ้งและซึมซับอะไรอะไรได้รวดเร็วกว่าคนอื่นๆ เป็นผู้หญิงก็บวชได้คือบวชใจยังไงละ่ะบางคนกายบวชแต่ใจไม่ได้บวชเช่นพวกที่อาศัยผ้าเหลืองหากินคนพวกเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นพระแต่ใจเป็นมารบวชใจทำอย่างไรข้าหลวงพ่อถามอย่างสนใจก็จเจริญสติปัฏฐานสี่เหมือนที่คุณพ่อหนูเข้าปฏิบัตินั่นยังไงละ่ะ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 ไม่น่าจะต้องมีกรรมอะไรนักหนาดีจ้ะตอนนี้ดีเพราะว่ากําลังเข้าใหม่ปรามันแต่ต่อไปแย่หน่อยเพราะสามีเขาจะเลี้ยงหนูด้วยลำแข้งชนิดสีโครงเนบข้างฟ้าเจ้าละรู้สึกจะหนักกว่ารายน้องเสด้วยซ้ำเพราะสามีหนูเขาเจ้าชู้พอไปเจอคนใหม่ก็เบื่อคนเก่า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 สุขบ้างทุกบ้างปะปนกันไปหลวงพ่อคะและหนูพอจะมีทางทาให้กรรมเก่าเบา บ, า, บางลงไหมคะพองพันถามหล่อนเริ่มวิตกกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงจะกังวลล่วงหน้าไปทำไมเ่าหนูอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเราต้องกล้ า, ผาเผชิญกับความจริงการจะให้กรรมเบา บ, า, บางลงมีวิธีเดียว ก็คือมาเข้ากรรมฐานที่วัดนี้สักเจ็ดวันเป็นอย่างน้อยสามีหนูไม่ยอมให้มาแน่ๆค่ะตั้งเจ็ดวันหนูขอมาหาคุณพ่อคุณแม่วันเดียวเขายังไม่ค่อยพอใจใช่สิจ๊ะก็กำลังรักอยู่นี่เขาไม่อยากให้หนูคลาดสายตาสักเวลานาทีเอาเถอะและหนูจะได้มาอยู่วัดตอนที่เข้าเบื่อหนูแล้วถึงเวลานั้นหลวงพ่อจะช่วยแนะนาได้บ้าง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 ยังทำให้เพิ่มทุกผูกเวนกันหนักขึ้นไปอีกจำไว้นะหนูนะท่านย้ำเตือนอีกครั้งเจ้ขขาค่ะค่ะสตรีทั้งสองรับคำพร้อมกันกับก้มลงกราบท่านพระครูและหลวงพี่บัวเฮียวแล้วจึงเดินไปยังลานจอดรถที่บิดาและน้องชายรออยู่